77ปีปีส1หนึ่งโอกรมมกราคมวันที่17กันยาท่านก็ตายคือทำงานจนตายนะแต่ตัวนั้นก็ก่อนนั้นก็ไปรักษาที่กรุงเทพตด้ปีส1หนึ่งอายุได้77ปี เข้าถึงทำปีห้าร้อยเป็นโยมสอนปฏิบัติธรรมโยสองปีแปดเดือนก็เลยบวชบวชเพราะเห็นว่าเวลาบวชแล้วเนี่ยพูดกับคนมันง่ายกว่าเราเคยได้ยินว่าถ้าคนบรรลุธรรมแล้วไม่บวชเนี่ยจะตายไปในเจ็ดวันเพื่อได้ยินนะ ผู้บรรลุทำแล้วถ้าไม่บวชตายไปในเจ็ดวันเป็นความจริงนะถ้าบรรลุทำนะต้องได้บวชเพรานมันจะตายไปในเจ็ดวันแต่ท่านก็อยู่นานนะอยู่สองปีแปดเดือนว่าตายไปในเจ็ดวันก็อาทิตย์จันทร์พุธพฤหัสุกร์เสาประมาณนี้ไม่ตายวันหนึ่งก็วันหนึ่งคือจิตที่มันมันเข้าถึงธรรมมัน คือมันงดเว้นชีวิตแบบคาราวะาโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติมันนะสิ่งที่ท่านเข้าถึงเนี่ยท่านมาสอนที่บ้านท่านสอนญาติสอนยูมสอนลูกสอนเมียท่านมีลูกสามคนเตรียมเป็นผู้ชายทั้งหมดนะ นายเทียนลูกชายชื่อนายเทียนนะคนหนึ่งนะจริงหลวงพ่อเทียนเนี่ยเป็นพ่อนายเทียนเขาเรียกพ่อเทียนชื่อเดิมท่านคือพันว่าสุกพันนามสกุลอินทผิวไม่ได้ชื่อเทียนนะอันนี้ชื่อใหม่ชื่อใหม่เพราะเราเรียกกันตามภาษาชาวบ้าน เคยบวชสมัยเป็นเนนอายุ11ปีบวชตามภาษาบ้านนอกแหละถึงมีรำบวดก็บวชต่อมาก็ศึกได้ปีนึงศึกทำไรทำนาทำสวนต่อมาก็ปวดพระตอนอายุ20ปียีปีก็บวชบวชได้พรรษาหนึ่งตอนบวชพรรษาตอนบวชเป็นพระนี่อุกฤษเข้าไปอยู่ในอุโบสถ ทำความเพียนอย่างหนักเลยสันข้าวมือเดียวเป็นวัดบ้านนะแล้วก็ท่านกตัง้งใจทามากจนมีความชำนาญเรื่องสมาธิแบบตัวแข็งเนี่ยสกุดที่ตัวเองนิ่งนั่นก็เลยชอบเห็นอะไรปปปแปลกๆก็เลยชอบชอบเรื่องเครื่องรางของคลังมีคาถาอาคมมากซึ้ง เขาไปซืกก้อเกาไปแต่งงานมีครอบครัวคือมันไม่รู้มันก็เป็นแบบนั้นแหละไม่รู้ก็ต้องทำตามภาษาลุกโลกโล ก, กับยมหอมแต่งงานแต่อายุส่ปีเนี่ยท่านไปปฏิบัติธรรมนะจุดมุง่งหวังท่า น, ท, านท่านพูดไปในเทปมวลนะคือมุ่งหวังเพื่อจะดับทุกข์ดับความโกรธลบหลงไม่อยากเกิดอีกในะชีวิตท่าน ไปเห็นภาพตามฝาผนังโบทที่เขาวาดภาพของสขธรรมเพิงดีนะโดยผู้กำกับปุ้ยแสงไฉให้เขาวาดภาพออกมาภาพนารกที่ผิดศีลห้าข้อเขารู้สึกว่ามันน่ากลัวท่านทำบุญทำทานมากเป็นเป็นคนหนึ่งนะที่ทำบุญเยอะ ท่านก็ท่านบอกว่าอยู่ในระแวกนั้นนะท่านก็ไม่น้อยหน้าใครตําบุญกระถินปีละห้ากองือว่าเยอะนะโยมเมื่อกี้นะโยมพัฒนาธรมาโทษพ่ะป่าเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดเมื่อกี้นะี้ที่นี่นะเขาปฏิบัติพองยุคแฟนเขาก็จะไปบวชที่ธรรมพระ ผ, า, ผางามที่เชียงรายต้องถาม ทำไมจึงตั้งใจมาทอดพรอป่าว่าที่แรกตั้งใจว่าจะทอดกระถินเนแต่เหตุปัจจัยยังไม่พร้อมไม่พร้อมเรื่องวัดนะเรื่องพระเรื่องมาทอดพระป่าทอดทำไมเพราะว่ามีความรู้สึกว่าพุทธศาสนิกชนเนี่ยเกิดมาทั้งทีควรจะมีการทาบุญทอดพรอป่าทอดกระถินให้ทาน รักษาศีลก็รักษาอยู่แล้วแต่ว่าอยากทำมหาทานนะมหาทานการละทานคือเขาอยากทำให้มันครบชีวิตของการเกิดมาเนี่ยรักษาศีลแล้วก็จเจริญภาวนาภาวนาก็ทำอยู่แล้วก็พอดีรู้จักคนที่เลื่อมใสที่วัดเนี่ยก็เลยมาทอดพระป่ามาทอดพระปาสามคน แม่สามีตัวเขาความคิดแบบนี้ก็ถือว่ดีนะแล้วเขาก็มาถามเรื่องอวัยในการภาวนาเขาปฏิบัติทรรมฝึกเรน่อ น, นี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างงี้นะมันไม่เป็นให้แบบเอเทสาในรุชมานาในรุจติเขาก็เลยถามว่าทำยังไงมันมันจึงจะเป็นให้เก็มาสนทนาหูดคุยกันอยู่ประมาณสัก สามสิบสี่สิบนาทีต้นทาถามว่าทำทำไมพวกนี้เขาว่าเขาอยากให้มันเกื้อกูลต่อการภาวนาของเขาให้มันยิ่งๆกันไปนะของทางแล้อนุมโมนูนาะคิดดีหลวงพ่อเทียนก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบทำบุญทาทานมาก่อนแล้วสุดท้ายเข้าไปปฏิบททัติธรรมเพื่อทำบุญทําทานมันมันยังไม่เอาชนะความโกรธไม่ได้ มันมีโทสะเกิดขึ้นมีงญหลหหิตเกิดขึ้นจากชีวิตประจำวันนั่นเนี่ยก็ได้ไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติแบบนี้เขาจัดปฏิบัติธรรมมีพระยี่สิบห้าคนภุมพระยี่สิบสามคนผู้ชายสองคนผู้หญิงห้าคนรวมเป็นยี่สิบเก้าคนรู้ไม่เหมือนกันนะต่นางคนต่างรูปไปคนละอย่าง เคยรู้เลิกตื่นนามบางไม่เหมือนกันนะไปฝึกอยู่กับหลวงพ่อเป็นประหลัดอำเภอเก่านะประหลัดอำเภอเก่าแนละ้วท่านกเกษียณอายุท่านไปนบวชท่านก็สอนอยู่ที่นั่นแต่หลวงพ่อเทียนไม่ได้ปฏิบัติตามแบบนั้นคือท่านเคยเคยเป็นโยมอุปถากหลายวัดมากเพราะเป็นเหมือนชีวิตขหาบอดีเป็นคนมีดัง ชอบทำบุญทำทานกับวัดนั้นวัด น, นี้เขาโมทนาอะไรท่านก็โมทนาท่านท่านก็จะรู้จักพระเยอะก็เลยรู้วิธีทํากรรมฐานเนี่ยหลายรูปแบบมากเวลาไปปฏิบัติทำท่านมีความคือก่อนนั้นนั้นท่านไปหาพระองค์หนึ่งชื่อพระมหาสีชันสอนเรื่องกรรมฐานนี่นะกรรมฐานแบบเคลื่อนไหวนี่นะ อาจารย์มหาสีจันเนี่ยเป็นสิทธิ์ของอาจารย์มหาปานอานันท์โอตโห่ถวประเทศไทยเราไม่ได้ยินหรอกแต่ถ้าไปทางเมืองลาวเนี่ยท่านจะดังเหมือนกับหลวงปู่มั่นบ้านเราก็ไปเรียนพูดคุยกันพูดไปพูดมาว่าธรรมะเนี่ยมันดีมันอยู่ที่คนเนี่ยแหละถ้าทําแล้วมันก็เกิดขอแต่ตั้งใจลึกๆรู้นะครับคิดละผของการรู้ธทำก็คือ ต้องให้รู้สึกตัวให้มันต่อเนื่องสติสัมปชัญญะนี่มันต่อเนื่องถ้ามันไม่ต่อเนื่องมันไม่เป็นอแล้วฟังเนี่ยฟังเงาทั้งวันทั้งคืนก็ไม่เกิดประโยชน์หลวงพ่อเตียนไปถามตอนนั้นไปหาท่านตอนหกโมงเย็นคุยกันคุยไปคุยมาจนถึงหกโมงเชา้าถามหลวงพ่อแล้วอย่างนอนง่วงโอ๊ยโยมถามยังไงมันก็ไม่ได้หรอมันไม่เห็นหรอกมันไม่เป็นไม่มีหรอกต้องทําจริงๆ ต้องทําให้มันต่อเนื่องแท้ๆมันจึงจะเกิดถด้าอยากเกิดเนี่ยปฏิบัติเอาท่านเคยจาคํานั้นไว้มันหนึ่งท่านมีปัญหาปัญหาทางอารมณ์เนี่ยมันงนหิดแล้วมันออกไม่ได้คือคนพูดไม่ถูกหูถูกใจเนี่ยก็ได้คิดมันไม่ออกปัญหาก็คือคุยคำเมียนั่นแหละพอะ ไ, ไม่ได้ขิดข้องหมองใจอะไรกันมากมานะเพียงแต่ว่า เวลาท่านรักษาศีลจำศีลเนี่ยอย่าเอาเรื่องเงินเรื่องทองมาพูดด้วยกันอเป็นผู้จัดการไปเลยไม่ต้องมาถามเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ภรรยาก็พูดถามปรึกษาท่านก็ไม่ค่อยพอใจก็เลยห ง, งุดหงิดองค์ิ่งนก็เลยตั้งใจไปปฏิบัติธรรมตอนนั้นพกเงินไปเรื่องหมื่นหนึ่งเงินเดือนตำรวจนะแปดบาท สมัยนน้นนะก็ถือว่าเงินเยอะนะไปเลยจะจา้างคนทําอาหารทําน้นทํานี้ให้เจ้าวาดเขาเลยยึดยึดเพราะว่าโอ้ยมันก็ไม่ไหวเลาวนะคนอื่นเขาก็ไม่มีก็ไม่เหมือนนะท่านว่าท่านจะทําจริงก็ทําจริงก็ไม่เป็นไรแต่เพียงแต่ว่าอย่ามาจา้างคนนั้นคนนี้ทําอะไรให้นะขยันทําเลยเดี๋ยวคนเอาเขาต้มมาให้หรอกเนะียเหมือนเราเนี่ยขยันทําที่วัด รังสีมุกดารามอําเภอสีเคียงใหม่ปัจจุบันนะตำบลพันเผาต่ก่อนอําเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายท่านไปทำท่านอยู่เชียงคานมืองเลยเป็นอุบาสกบ้านนอกอ่านหนังสือไม่ออกเขียนภาษาไทยไม่เป็นพูดไทยก็ไม่รู้ท่านไปกรุงเทพ คือได้เงินแต่ละครั้งโบนัสของท่านท่านเดินทางลงกรุงเทพไปเที่ยวไทยพอไปกรุงเทพเนี่ยคนกรุงเทพว่าคนลาวคนลาวมันมากรุงเทพแต่พอวางครั้งท่านไปขายของไปเที่ยวไปเมืองลาวเนี่ยคนลาวเขาบอกว่าคนมาจากไทยคนไทยเนท่า น, นเรรู้ไอ้ ก, กูเป็นใครเนี่ยกูเป็นคนไทยหรือกูเป็นคนลาวมันก็ฝังใจคํามาเนี่ย เวลาบารรลุธรมแล้วเนี่ยมันจึงรู้ว่าคนคําว่าไทยหรือว่าลาวเนี่ยจริงๆคืออิสรภาพทางจิตนะสิ้นทุกไทยนี่คือพ้นหลุดพ้นจากกิเลสกองทุกเนะ่ยถือว่าเป็นไทยท่านไปฝึกก็มีปัญหานะเวลาไปคือคื อ, คอฟังคนเนี้ยพูดอจารยาจิจนทร์นยอยู่ปีหนึ่งพอเกิดปัญหานี้ท่านคิดแต่เดียว เฮ้ยมันต้องทําจริงละถึงจะดับทุกได้ต้องทําจริงทําจังก็เลยจะไปหาอาจารย์นี่แหละอาจารย์มหาชิจันเนี่ยที่วันเลื่องสีเนี่ยเดินทางไปเพราะท่านว่าถ้าทําจริงมันต้องเห็นต้องเป็นไอ้ที่คุยกันห น, น, นึ่งวันหนึ่งคืนนี่นะแต่พอไปเนะี่ยท่านไปที่เวียงจันทร์เรือเจริญหลวงพ่อวันทองหลวงพ่อวันทองซึ่งเป็นผู้ ด, ดูแลอยู่ในนั้น ก็เลยเข้าปฏิบัติทำเอาจริงเอาจังคนมาคุยด้วยก็ไม่คุยก็ทั้งใจฝึกเวลาท่านไปทำท่านทำอยู่สองวันทำสองวันก็หมดทุกถึงที่สุดทุกเหมือนที่ท่านเล่านั่นแหละทำสองวันนะคนไม่รู้หนังสือดิทำสองวันไอพวกเราในจบปัญญาตีปัญญาโทรปรัญญาเอกนะแต่ท่านจำเอาไว้ว่าต้องฝึกสติให้ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ ความหมายอันนียความรู้สึกอันนี้อย่างท่านว่านะท่านทํารู้สึกตัวจริงๆศักยภาพของคนนี้มันเท่าๆกันนะแต่ความขี้เกียจมันไม่เหมือนกันคนขี้เกียจน้อยบางทีขี้เกียจเยอะมันยังสลึมสลือมันออกจากง่วงจากงงไม่ได้ทํามันตื่นตัวจิตท่านไปสอนคนนี้ไม่มีอะไรอะไปปลูกเฉยเฉย ปลุกให้มันตื่นตื่นมาทําความรู้สึกตัวเพื่อจะตื่นจะเบิกจะบาลอะไรประมาณนะั้นะถ้าจะพูดทํามะลึกๆทํามาโน้นนี่ก็พูดไปตามเรื่องนะแต่สภาวะจิตเรามีปัญหาอะไรเราไม่ได้ฝึกกันตรงนั้นนะถ้ามันง่วงก็ฝึกแก้ง่วงมันเบื่อก็ฝึกแก้เบือ่อมันหลับก็ฝึกแก้หลับทําให้มันได้ซะก่อน ขยับไปขยับไปได้เหมือนว่าเนะียต้นควายออกข้างหน้าพระกันเดินตามมาทีหลังคือจับเชือกมันเหมือนกันเนะี่ะแต่ว่าไม่เขี่ยนออกข้างหน้าให้เดินไปข้างหน้าแต่ว่าการเดินข้างหน้ามันต้องเดินเป็นระดับหนึ่งนะ้วนุงจูงจมูกมันไปได้จูงไปข้างหน้านะให้มัน น, นำนำนะแต่คนใหม่ๆจะไม่รู้เรื่องก็ จูงมาที่หลังพระเดินไปตามหน้าข้างหน้าไปแต่ถ้ามันพอเป็นแล้วเนี่ยให้มันเดินไปขนาเพราะว่ามันจะอยากเดินเร็วจิตอัเนี่ยเมื่อามารู้สักหน่อยมันจะอยากเดินเร็วอยากไปไวอยากเข้าใจอย่างอะไรนั้นต้องให้มันเดินออกหน้าถ้ามูให้มันเดินตามหลังเนี่ยก็ไม่ไหวแต่ในขณะนี้วกัต้องจูงไว้นะเดินออกหน้าเหมือนกัน่ะแต่ผูกใส่เข้าใส่จมูกมันไว้ผูกสนสบายมัน แล้วค่อยปล่อยมันลงไปเดินไปข้างหน้าบางทีก็แทะเขียนไปด้วยบางทีมันนอนหนองน้ํานอนแวะข้างทางอะไรจิตเป็นแบบนั้นนะการเข้าถึงธรรมก็คือเข้าถึงธรรมชาติของจิตนั่นเองธรรมชาติของจิตที่นี้มันจริงๆก็คือนิพพานแต่ถ้าเข้าถึงนิพพานที่สุดทุกยังไม่ได้ มันก็มีนิพพานชั่วคราวชั่วครู่ชั่วขณะหลุดพ้นด้วยการกดข่มไว้ก็มีหลุดออกจากความคิดนะนะหลุดพ้นด้วยปัญญานะรู้สึกนึงคิดก็มีหลุดพ้นด้วยการภาวนาก็มีก็ค่อยๆขยับไปขยับไปขยับไปบางทีหลุดพ้นชั่วครู่ชั่วขณะหนึ่ง อีกหน่อยก็เป็นอีกเราก็ฝึกอีกหนะึ่งท้าไม่บ่อยธรรมนมันชำนานท่านทำอยู่ไม่นานอย่างที่ว่าเนี่ยแต่ท่านสังสมมาเยอะหลายอย่างในสุดก็เข้าถึงธรรมถึงธรรมแล้วก็กลับมาเข้ามาสอนเข า, ท ำ, าเทำอยู่สามเดือนทำอยู่สามเดือนท่านทำอยู่สองวันเนี่ย ท่านบางทีถ้าคนตั้งใจบางทีมาทำเจ็ดวันอาจจะไม่แน่อาจจะเข้าใจก่อนก็ได้นในพรรษาท่านก็ฝึกฝนอยู่กับเขานั่แหละแล้วก็ไปซื้อผ้าไตรมานถวายพระยี่สิบสามองค์สมัย น, นู้นถ้าซื้อผ้าไตรได้ระดับเนื้อไม่ธรรมดานะชนอกพรรษา คนแรกที่ท่านนึกถึงที่จะไปสอนก็คือเมียภรรยาของท่านนะมนกลับไปก็ไปสอนมาหนี้พาสร้างจังหวะรู้อั น, น้มาเนี้ยมาภรรยาของท่านเป็นคนใจดีมาแต่ไหนแต่อะไรถ้าบอกจิตใจดีนะท่านสอนเนี่ยจะเข้าใจง่ายเมียเขาก็ เกิดการรู้แจ้งมันกันนะเข้าถึงทำคือกำหนดรู้ไปเรื่อยคุณทำอะไรกูก็กำหนดรู้ไปกำหนดรู้ไปนั่นแหละท่านก็เข้าถึงทำของเราเนี่มันมันไม่ตั้งใจทำนั่งดีๆนั่งดีๆสร้างจังหวะดีๆแล้วลึกรู้นั่งโคกเขานั่งอะไรเ่ยช่วยมัน มาสมัครเป็นนักมวยชกกับกิเลสตีไม่ดนะีเขาไล่ลงเวทีเนะนี่ยต่อยไม่สมศักดิ์ศรีพระเหมือนกันนะนั่งกางบนเขาไล่ลงเวทีนี่เขต่อยเขากิเลสไม่สมศักดิ์ศรีงงยมก็เหมือนกันนะั่นเขาไล่ออกจากสนามปฏิบัติธรรมว่ามันสู้ไม่ไหวนี่อ่อนแอเกินไปอ่อนแอเกินไปที่จะสู้กับกิเลสเนะี่ เปืองข้าวเปืองน้ำเปลืองสถานที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่ามัน ท, ทําทีเป็นโค ท, ทําทีเป็นโคเมื่ออยู่ในฝูงโคทั้งที่จริงมันเป็นหมาแต่เดินตามก้นโคไปหมาตัวนั้นนะแล้วมันก็บอกกูก็คือโคกูก็คือโคอะไรประมาณนี้ แต่คนเขาก็ดูออกว่ามันเป็นโคหรือเปล่ามันไม่ใช่โคเป็นหมาเป็นสุนัขตัวหนึ่งท้องหุ่นมันได้เหมือนกันถึงแม้มันจะพูดว่ากูเป็นโคมันก็ไม่เป็นโคเหมือนกันนะเรากูเป็นนักปฏิบัติกูเป็นนักปฏิบัติไม่ใช่นักปฏิบัติกูเป็นพระกูเป็นพระเดินตามพระแต่สภาวะจิตมันเป็นพระให้ไม่ได้ปัญหามันก็ไม่ได้นะ นัวเวลาลงสนามมาเป็นสมมติว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมเอาเอาจริงนะต่อสู้กับกิเลสเอาจริงจริงเมื่อไหร่จะเอาจริงเนี่ยเขาจะกลับบ้านกันแล้วจะหมดเวลาอะไรเนี่ยยังจะมาเองามาง่วงเอาสู้ตายทำเหมือนโยมไปหาเงินเนะี่ยไปหาเงินหาทองที่น่นที่นี่ เหมือนได้ตังนะไปหามหาธรรมะก็ต้องให้ได้ธรรมะนะนะได้ปีติได้ปัสฉิโ้ยทยมเข้าถึงปีติได้เกิดอารมณ์ธรรมะหน่อยเนี่ยมันไม่มีล็อกไอ้ตัวงวงว่างเงาเสลึมสลือที่ทูที่ถูไป น, นี่มันไม่เป็นลอกอันนี้มันเข้าไม่ถึงอ น, นีนะ้คือต้องสังเกตไม่ใช่ทา มือลอยไปตามเรื่องเขย่าอยู่แบบนี้ให้มันตื่นไม่ใช่ต้องมองข้างในด้วยนะพยายามลึก ร, กรู้ลึกรู้อาการของจิตเนี่ ย, ย, ยรู้สึกตัวเห็นความรู้สึกหายไปก็เห็นความรู้สึกตัวมันอยู่ก็เห็นเนี่ยความคิดแวบเข้ามาก็เห็นความง่วงซึมเข้ามาเห็นดันมันออกไปดันกันข้างในนะสู้ คือทำอย่างนั้นเนี่ยอารมณ์ข้างในเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติการทําลายกิเลสนัส่นแหละศีลเนี่ยมันจะกคำว่าเฉิอนบางเราเรียกว่าเฉือนเฉือนมะน อ, อกตัวไหนเข้ามาเฉือนออกเฉือนออกเชือนออ ก, อออ ก, อออกถ้าคนไหนเฉือนกิเลสอยู่เขาเรียกคนมีศีลกําลังศีลอยู่แต่ถ้าไม่เฉือนมันเข้ามาง่วงง่วงโอ้ยมันไม่ศีลศีลกำจัดกิเลสอย่างเดียวคือ ศีลได้แต่ข้างนอกนะแต่ถ้าฟาดฟันเป็นภาวนาอันนั้นที่แรกเฉือนต่อมาสมาธิก็คือข่มกดมันไว้ข่มมันไว้ไม่มันเกิดมันคิดหรือข่มมันไว้งุนหิดข่มมันไว้อดทนที่แรกเฉือนออกเฉือนเฉือนได้แต่เปลือกๆนัไม่ได้เฉือนแต่ตัวสุดท้ายคือ จับคอแทงเลยนทีอ่ะฆ่าอขาเรียว่าประหารเคยได้ินประหารกิเลสประหารกิเลสนะนะนะนศีลมันประหา ร, ร, หา ร, ม ร, หารไม่ได้มันได้แต่เฉือนโยงก็เฉิอนเรื่อยๆเลยดิเข้ามาในเฉือนหน่อมเข้ามาท้งตาก็เฉือนทางตาออกท่านปรมาจารย์ตักมอนะง่วงเอ๊ะง่วงจังไนงะนั่งภาวนาหันหน้าเข้าฝาเก้าปีตื่นมากกว่านั่ง นนั่งนั่งจนเบาขาดขึ้นเป็นมันหนาเลยเนี่ยเที่ทำเดี๋ยวนี้เขาก็มีอา้าวจัดเที่ยวท่านให้ไปวัดเศ้าลินไปน้นนั้นหนึ่งหมือนเก้าพันบาทไปไหมไปจีนไปวัดเส้าลินเนี่ยไปดูที่ที่ท่านนั่งนี่นะ นั่งแบบนี้หละตื่นมาก็ น, นั่งแต่ดวงอาทิตย์ไม่จะส่องเข้ามาท่านนี้ท่านก็จะนั่งอยู่ตรงนี้เงาท่านก็ไปอยู่ที่ฟ้านี่มันส่องมาอยู่เก้าปีเก้าปีรอบๆเงาท่านท่านก็เงาดำๆไปปรากฏที่ฟ้ารอบๆนั่นก็แสงแดดมันก็ถูกแต่เดี๋ยวนี้รอบๆนั่นดำแต่ตรงเป็นที่เงามันขาว เขาก็ทำไว้อยู่เดี๋ยวเนี้ให้เราเห็นว่าท่านนั่งสมาธิตรงนี้แหละท่านตั้งมอเนี่ยเวลาท่านง่วงมาท่านไม่ทำเหมือนโยมท่านดึงหนังตาออกมาแล้วมีดตัดทิ้งเฉือนทิ้งนั้นจึงเป็นพระสังฆราชประเทศจีนที่ไม่มีหนังตา ตาหนังมันไม่มีนะนี่ยมันขึ้นมาที่นี่เลยตัดทิ้งเลยโยมก็ไม่ต้องตัดทิ้งหรอกดึงขนสักสามขนตาออกเนี่ยนะนะมันก็สว่างสวัยแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> อันนี้มันไม่ใจเด็ดเนะี่ยฮะคอพับขอเอียงอยู่เนะี่ยเอาลืมตากว้างๆมองไกลๆ รถทาท่องเที่ยวไปที่นู่นที่นี่ไปหาสอนคนพาปฏิบัติเห็นแปลกๆไปเรื่อยมนุษย์เนี่ยหลับไม่ฟื้นหลับไม่ฟื้นตื่นไม่มีนีไม่พ้นก็ยังมีนะนะไปไม่กลับหลับไม่ตื่นนะักบางคนเนี่ยนะยิ่งเห็นประหลาดไปเรื่อยมนุษย์เนี่ยอ่อนแอคนที่อ่อนแอจะเจอะก็เห็นนะ ซอเหนอี่ยก็ไม่ฟื้นสถิก็มีนะหลับแบบไม่ตื่นก็มีบางคนเลยเข้าใจอ่ะโอ้มนุษย์นี่เป็นอย่างนี้เองเนาะนึกว่ามันจะต้องรู้ทุกคนนึกว่ามันสติมันคือถ้าตั้งใจสอนมันน่าจะรู้นะคิดนะแต่ที่ไหนได้บางคนมันก็ต่ำกว่ามาตรฐานเหมือนเราจะเข้าเรียนธรรมศาสตร์เนี่ยไอคิวมันต่ำเนี่ยมันไปได้ไหมมันไม่ได้นะ เข้าไปถูกเข้าไปก็ถูกดีทายดีทายอันนี้ก็เหมือนกันนะ่ะสติมันอ่อนแอเกินไปจะไม่ให้มันรู้สึกเฉยเฉเนี่ยมันไม่ไหวบางดีจะไปทักกับตัวง่วงตัวเหงาตัวอะไรจอดจอดอยู่เลย น, นั้นพอจะไม่มีมาตรฐานก็พ้เหลืองนี่ไปห่มให้ไม่ได้ ก็เลยยังไม่ให้เป็นพระนี่ลองดูที่ต่อธิษฐานเอจะทำให้มันต่อเนื่องไว้ทำลายสติหลวงป่ะเทียนสองวันกุจะเอาแค่1นวันปิ้งนะก็ตั้งใจเลยเลลึกรู้ชีวิตที่เกิดมามันทุกข์ซะเหลือเกินเนี่ย ยังจะไปหาเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวเลี้ยงผั่เลี้ยงเมียเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงโน้นเลี้ยงอั้นกูเอาให้มันพ้นทุกข์ไปนะเลี้ยงขอชาตินี้จบนะพรปฏิบัติธรรมก็ตั้งใจเลยดิทําให้มันต่อเนื่อง่ะวันเดียวก็ตั้งใจทําให้มันเห็นแจ้งไปเลยอมันไม่มีหรอกเลยเรื่องครอบเรื่องครัวเรื่องผัวเรื่องเมียนจิตมันไม่เอามาคิดหรอกถ้ามันเห็นทำซะหน่อยนะ ถ้ามันไม่เห็นทำมันก็เห็นโลกอย่างว่านะั่นแหละโอ้ยมจำเป็นนะอย่างนั้นอย่างนี้นะครับกิเลสพูดกิเลสพูดนะกิเลสพูดแล้วก็ฟังมันบ้างเอาฟังไปตามเรื่องแต่อีกหน่อยถ้าตั้งใจฝืนจริงมันก็เออมันก็จะเข้าใจโอ้ยการงานทางบ้านยุ่งมากนะยันนู้นทีนี้เวลายโยมพูดคุยด้วยเนะี่ยเราก็ฟังไปกันแหละ แต่มันไม่เข้าหูมันไม่เข้าหูาฟังไปรับธรรมชาติของคนว่าโอ้คนนี้ธรรมชาติเขายังเป็นแบบนี้มันก็เลยใจาปว่าเอาจริงกับโลกแต่เอาเล่นกับธรรมแต่คนเข้าใจธรรมะเนี่ยเอาจริงกับธรรม ทำอะไรเดียวทำเพื่อทำทำอะไรทำเพื่อทำนะแต่เอาเล่นๆกับโลกมิติบิีกนบโลกก็ทำเหมือนกันทำเล่นๆหลวงปรอเทียนท่านมามาบวชสอนธรรมะเป็นโยมนะ่นะสองปี8เดือนแล้วก็มาบวชบวชแล้วก็ไปสอนที่โนอนที่นี่นะเขาไร้แห่งท่านไม่เหมือนใครหลวงปอเทียน สอนธรรมะท่านมองว่าคนกรุงเทพเนี่ยคือคนมีปัญญาบ้านนอกเนี่ยมันเป็นคนมีศรัทธาทำที่บ้านานะคือทำนะเขาไปสอนอยู่ที่วัดบรรพศขีรีนะคือบ้านท่านมีวัดบ้านวัดป่าแต่ก่อนเขาไปเรียนอยู่กับยโยคูผองอัญญาครูผองจันสุขนามสกุลจันรสุกลงตาไปทัง เพชรบูรณ์ก็มีนะมีลูกศิษย์มีในยจนสุขนะพอปฏิบัติธรรมเข้าใจก็คือ <c oughs> ก็ขึ้นไปอยู่ในนั่นแหละขึ้นไปในวัดบนภูเขาเตี้ยๆในบ้านขึ้นไปพอคนไม่เลื่อมใสวิธียกมือสร้างจังหวะนี่เขารู้ว่าเอาศาสนาเอาละทิอะไรมาสอน ครสอนผู้เชี่มันต้องรับตาตนิ่งสมมติเทีนท่านว่ามันไม่มีในพระใจปิดกเพราะคนเขียนมันไม่เขียนไว้ถ้าเขียนไว้มันก็มีโอ้คำตอบในไราการ์ดมากแต่รับรองว่ามีพเพราะผู้เช่ยท่านสอนท่านว่าสอนว่ า, วาการคู้การเหยียดเคลื่อนไหวการหายใจการกระพิบตารู้สึกตัวในอะไรบทน้อยอนีอ้ปวดใหญ ให้มีความรู้ตัวทุบร้อมเนี่ยท่านว่าให้มีอ่ยอันนี้ก็เหมือนกันอันที่ยบดน้อยอันที่ยบดใหญ่และเล็กลูกนั้นท่านที่ว่าโอ้มันต้องให้มีไม่ต้องทําพิธีกรรมไม่ต้องสวดไม่ต้องขอกรรมฐาน <c oughs> เห็นไม่มาที่นี่ไม่ได้ขอนะลืมตาโยมลืมตาคนไหนมีเฟอร์นิเจอร์มากๆเนะี่ยคนนั้นจะโง่เยอะ มีถุงมือถุงตีนมีเสือ้อนั่นเสื้อนี้มันคุมนั่นกิเลสพามาสวมแม่นตาดำแม่นตาขาวแว่นตาอะไรเข้าไปเนี่ยนั่นกิเลสพามาแล้วะนะนะเครื่องแต่งองค์ทรงตัวมันจะเยอะแยะเต็นมีเต็นโอ้มันเตรียมมากไอ้คนที่เตรียมพร้อมเยอะๆนะั่นแหละนะมันไม่ได้เป็นโรคกิเลสออกคนที่จะไปนลนกิเลสเลยเขาไม่มีอะไรมา มาไม่มีอะไรมาไม่มีค่าตอนมาไม่มีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะมัวเอาแต่หลับสนุกสนายคนไหนมีของเยอะๆพระก็เหมือนกันนะถ้ามีเต็นท์แบบนั้นแบบนี้มียี่ห้อมียูนิฟอร์มมีอะไรของท่านดีๆเนี่ยเสร็จอัเนี้ดูก็รู้ว่างโง่ เวลาสู้กับกิเลสแพ้ตลอดละ่ะมันไม่ได้เข้มแข็งะเพราะมันเตรียมการเยอะไปกิเลสมันพาไปสังเกตหลวงตาสมัยก่อนโห่เพียบทุ ด, ดงเครื่องทุ ด, ดงมีเรียบร้อย <c oughs> มีหมด่ะมันเตรียมตัวนี่คือไม่ได้บกพร่องเลยแหละเมืเ่อแต่ขี้นี่ก็ไม่ได้ไปอาศัยส้วมเขามีเสียมมีอะไรเหมือนจอบสนามน่ะ คนทหารนะขุดที่ยึดสามารถคิดไปได้ภาในสามนาทีคือมันมีความพร้อมนะสามารถผันนั้นเป็นนี่ผันนี่เป็นนั้นเวลากินนี่ก็เหมือนกันนะรู้จักอะไร น, นี่ที่พกเอาไว้สามารถแทงคนตายได้ด้วยสามารถกระชากออกมาเป็นมีดเป็นอาวุธได้ด้วยเป็นเครื่องมือในการ หั่นผัดซอยอะไรได้หมดอะชีวิตนะมันพร้อมมากเกินไปอะชีวิตกรรมฐานพอเข้าใจนี่โอ้ยกูพกกิเลสมาทั้งหมดเลยนี่โยนเข้าป่าไปอะไรเงี้ยเป็ น, น, นแบบเป็นคนน้อยๆขาดขา ด, ขาดเฮี้ยนเฮียนไปเงี้ยพ่อได้ะกรล่องกระเร่งไปเงี้ยอันเสื้อผ้าก็มีบ้างไม่มีบ้างนะพวกนั้นมันจะไม่หลับ แต่ทนาวมีเสื้อคุมเสื้ออุ่นเสื้ออะไรเข้ามาเยอะแยะเนี่ยโอ้ยตายอันี้อีกหน่อยมันก็เสวยเวทนามาแหละสุขเอามันพอดีอามนพอดีเอาพอดียหยมันเยอะมีผมก็จะทุกข์เพราะผมถ้าไม่มีผมมันพระนี่เนะาะโอ้ยมันหนาวหนาวเย็นหัวนี่มันก็หลับไม่เป็นแล้วได้ใจสร้างจังหวะนี่แหละของโยมมันผมดกปกไหล คุณพ่อผมดกปกไหลจะหลับไหลกันไว้ถึงไหนแม่ผมดกปกบาตาลานตาลานอยู่นี่มันมีอ่ะมันสะดวกกพาสะดวกมากมันจะแย่เห็นไหมไปดูพระในเมืองกุฏิดีสวยงามอย่างวันนี้มันจะแย่ พระเหมือนกันบางทีไปหาดูสติยังไม่ดีเนี่ยอยู่เต็นท์สวยๆเ่ยเสร็จสติมันไม่พอล้วไปบริโภคสิ่งที่ดีๆต้องเป็นกดธรรมดานี่ส่องเห็นอย่างเงี้พอได้ความละอายมันจะเกิดขึ้นเยอะไปอยู่ใต้ร่มไม้นหน่อยปรากฏเนี่ยได้คือคนสติดีจึงบริโภคของดีๆเนี่ย เปเจอแล้วยมแทนถวายท้งนอนดวงตาี้เมนะ็ดอินยูเอสเอนอบุ่นดีนะอย่า้โอเนะอ A. A. นะสเเกิดสวมก็ไปแล้วมันไม่ตื่นเราจะทยังไงนะอบุ่นดีนะ เดี๋ยวนี้บอกให้โยมตุนโยมตุนปีนี้หลวงตาใช้ยุงนอนโยมอะไรเนี่ยํนะชำชื่อไม่ได้มาถวายเอาโอปุ่นดีเนะี่ยข้างในมันเป็นผ้าหม่มสวงไปแล้วมันไม่อยากถอดออกเลยนะนนี่นะจะได้บุญเยอะอยู่แล้วคนถวายทงนอน แต่ว่าถ้าสติน้อยเนี่ยตายอยู่ในถุงนั่นพอดีแล้วออกไม่ได้เขาถวายของดีเกินไปรองทาง้ามาไซใหญ่มากนะ น, น, นี่มันเป็นแบบนั้นแบบนี้เข้าไปแล้วก็ราบคักแหละเนาะมันหลับดีคนไหนที่ที่เดินทางไปเล่นไปหาผ้าห่มขเขาที่นนทนที่นี่เนี่ ไปดูตัวอย่างนะที่เขาซื้อถวายลงตาเนี่ยมันอุ่นอุ่นจนทั้งมันร้อนอะทุงนอนนั่นน่ะน่าจะประมาณสี่ร้อยนี่น่นะอะไรนี่นนะ <c oughs> มันอบอุ่นดีลืมตาลืมตายอมเอาบ้าเฮยหลับได้หลับดีเนี่ย ไปเรียนมาจากไหนอันหลับเนี่ย <c oughs> แต่พระนี่โลตาไม่บอกหรอกให้โยมตรวจสอบให้ก็พอให้หน่อยโลตายังบอกเลยโยมดูพระให้หน่อยเรื่องเวลาท่านหลับต้อง <c oughs> ให้หน่อยนะวาพระนี่จะตื่นไว เมลแล้วก็ยกทันทีเมื่อลังหลับเนาะพอต่ไอไม่ต้องไอแรงหรอกไอพอเป็นพิธีมือมันจะสปริงไปเลยปึิงวางสังเกตโยมสังเกตสังเกตตัวง่วงตัวเหงาเนี่ยนี่คือตัวสำคัญแล้วเนี่ยดูไปเรื่อยแล้วลูกแต่ไม่พูดอะไรหนักตอนเจ้าเจ้าบางทีมันง่วงมากมันปลุกกันอยู่นี่แหละ เอาเชือกนะผูกมาแต่คนเ้าไฝ่ผูกแขนนะนะแล้วย่อนมาให้ลวงตาวงตาก็จะนับโอ้คนที่หนึ่งเบอร์หนึ่งนะง่วงลวงตากระตุกตอนนี้ขี้เกียจพูดวะเนี่ยกระตุกเอากระตุกเอาได้เลยเนี่ยหลวงตาจะอนุเคราะห์พวกเธออย่างดีเลยแหละช่วยเหลือมัน ฝืนไปมันจะมีด่านเาาอาไวาเราพอมันทะลุจุดนั้นเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะหายไปเลยหรอกมันก็จะจำไซน์ของมันเองอ่ะใช่ไหมรทำมาเนี่ยเราสังเกตนะคนไหนที่มันอบอุ่นอุ่นอุ่นข้างนอกอุ่นท่านั้นอุ่นตรงนี้มันก็จะมีหมวกมีหมวกก็จะเอาแว่นตามามัน ความทยานอยากมันจะสูงขึ้นแล้วมันก็จะเย็นอยู่แถวแถวมือนี่ <c oughs> ก็ต้องหาสวมทุงมือเนี่ยมันจะอุ่นอุ่นขึ้นไปเรื่อย ๆ, ๆมันก็ติดอกติดจใจติดเรื่นามันลึกลับเพ้าล้วงเข้าไปข้างใ น, นะแค่นี้มันไม่พอยังมีอีกวันวันหนึ่งเนี่ยมันจะออกมาโชว์ไม่เหมือนกันเนะ่ะเพราะมันพกอกกิเลสมากๆในสุดก็คือ น, นอนนะวานลงตา ไปแปดครั้งเลยเดินหนีไปย้อนเขาเอาน้ำอะไรไม่รู้น้ำน้ำบ้วบกมาให้นะเมื่อเมื่อวานเมื่อจะแต่ตอนพายมถึงสามทุ่มนะก็จะเกิดอาการไข้หลีไนะขจริงนะไขหลีไขหลีก็ขี้ไหลแล้ว มันไม่ใช่ไข้จริงเลยขึ้นนั่งอยู่นี่ทนมากนะทนกับพวกเธอเนี่ยลุกไปก่อนมันก็จะหนีแตกหนีหมดกูทนหน่อยเพราะฉันนั่งปะนาะนั่งปะระเบินว่าเขาไปไปบดใบบัวบกใ ส, uba, ส่คกตำพริกถามว่าแล้วรูตาทานวอ้เผ็ดอยู่นะตอนทานเผ็ดเยู่แต่พอทานปุ๊บได้ชั่วโมงหนึ่งปุ๊บขึ้นมาดีอ่ะแต่ก็ทนเนาะทนทนออก จากนี่ไปแทบไม่ทันทั้งคืนวนันตอนเช้าจนดันไปถึงตอนเย็นเี็กนะนี่อาการก็ยังมีอยู่บางแต่รู้ว่าเป็นแม่ทับนี่ป่วยไม่ได้มันป่วยไม่ได้เป็นแม่ทับเนี่ยถ้าแม่ทับป่วยตายหมดลูกน้องใจพอหมดอะ เฮ้ยห hey, ลวงตาไม่มาธรรมะว่าหลับเอาหลับเอาพวกเรายุ่งอยู่แล้วสงสารต้องมาทำเงินได้วันหนึ่งเดี๋ยวกินน้ำดำเขามาเห็นวันหนึ่งกินน้ำเขียวเมื่อคืนเขาน้ำยาหนาไหมหลวงตาจะได้กินของแปลกๆแปลกๆถ้าอย่มาสะออนนะอ๋อหลวงตาได้กินเขา ระวังตัวมากเลถ้ากินเหมือนพวกเราต้องกองทับเนี่ยเขยังชั่วหน่อยไอ้ที่แปลกๆมาเนี่ไม่ได้ดงตามกินหวานไม่ได้กินหวานไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดไไดตรวจน้ําตาลอันสุดท้ายนี่ก็ตรวจน้ําตาลไปได้หกร้อยสิบหกเยอะอยู่เดี๋ยนี้ก็คงดีขึ้นแล้วล่ะคงถึงแปดร้อยแล้วล่ะอดีนี้ปวดลูกตา อาจจะเบาหวานขึ้นตาเลยตาขวานะเดี๋ยวปวดหมอให้ยามาหยดตาเ ก, ก็ได้ใช้ท่านตั้งอกตั้งใจชีวิตเนี่ยเราจะได้ไม่ทุกขนะ์กับปัญหาของชีวิตที่เกิดขึ้น เวลาเราทุกข์จริงๆเนี่ยมีเงินมีทองเนี่ยมันช่วยอะไรเราไม่ค่อยได้นะคือมาถอนเอาความทุกข์ออกจากจิตเนี่ยไม่ได้เลยดูเหมือนเป็นขยะไปมูดชีวิตเนี่ยมีแต่ธรรมะที่ช่วยเราได้สติสัมปชัญญะที่เรามีเนี่ยพ อ, อช่วยได้ช่วยใจเราเนี่ยอันเดียวั่นเนี่ย ลาบยศเสนเสรนเยือนยออะไรทั้งหลายทปวงมันไม่รู้มันเป็นยังไงอย่างเหมือนขี้หมูขี้หมาเหมือนอะไรประมาณนึงมันไม่มีอะไรตัวอย่างมันเป็นเหมืนอนยังไงเวลาคนถามกันเป็นยังไงบ้างสบายดีไมแต่วมันมันเหมือนคําพูดเด็กๆคุยกันนะว่านั้นนตามประเพณี แล้วมันจะเห็นเป็นประเพณีไอ้ความรู้สึกเป็นประเพณีปกติมันยังมีอยู่ข้างบนนะมันจะอยู่ตัต่ระดับมันเหมือนคนละเรื่องกันอนะกับชีวิตเนี่ยคนขวายเอาญาติโยมเอ้ยต่างตาก็ไม่รู้จะช่วยยังไงลนะช่วยกันหน่อยเถอะช่วยกันตั้งใจปฏิบัติให้ เป็นพุทธบูชาบูชาพระพุทธเจ้าแล้วก็ทําให้ศาสนานี้มันจเจริญคืออย่างน้อยๆคือเราพิสูจน์ว่าสติของพระพุทธเจ้าเนี่ยผ่านกรไม่วิธีไอ้ความรู้สึกตัวอย่างเงี้ยทารู้สึกอันนี้คือไม่ใช่สมถะไม่ใช่วิปสัสสนาเนี่ยรู้สึกเฉยๆประคองตัวรู้ให้มันอยู่กับปัจจุบันเพื่อจะทําลายตัวนิวณ์เนี่ยให้ได้ต อ, อนนั้นเท่านั้นเองให้มีความรู้สึกอันนี้คือคําตอบชีวิตว่ามัน มันทำอย่างนั้นได้จริงๆน่สติเนี่ยแล้วเราก็จะมีชีวิตที่ทุกน้อยหรือไม่ทุกเลยได้บอกกล่าวกับคนทั้งโลกว่าเออคำสอนของพุทธเจ้าในดับทุกได้จริงๆนะปกติฉันจะยึดมั่นถือมั่นมากกว่านี้นะแต่ตัวนี้ปฏิบัติทำแล้วก็ปล่อยวางได้ไม่เหมือนเดิมนะ่อย่าง น, น้อยก็ขยับ ภาษาพระเขาเรียกว่าได้จุติฟังดีๆนะจุติจุติแปลว่าเคลื่อนเคลื่อนออกจากฐานเดิมจิตมันเริ่มเปลี่ยนอะเริ่มเปลี่ยนเริ่มไปเกิดใหม่เริ่มเปลี่ยนจริตเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนจากสันดานเดิมเป็นเหมือนวน้นนี้มันเริ่มเปลี่ยนอะทำให้มันเปลี่ยนอันนี้เขาเรียกว่าได้จุติมีจุติแาลว่าจุติแปลว่าตายนะแปลว่าเคลื่อน ทีนี้มันจะเคลื่อนจากฐานเนะี่นี่ได้ฐานของความยึดมั่นถือมันยึดติดอะไรสักอย่างจากอากิเลสอาซอสอะไรมัน ห, อห่อหุ้มเนี่ยมันจะเคลื่อนได้มันต้องมีพลังนะมีพลังแห่งความรู้ตัวทุกพร้อมนี่ดันอสู่การเกิดปัญญาเนี่ยมันถึงจะไปได้ถ้าไม้มันไม่หลุดมันไม่ขยับเมันคุณต้องทนทนทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตเพราะอันนี้คือ กรอบของกิเลสเนี่ยที่มันมาสวมเราเกิดมาเราไม่ได้มีปานนี้ชีวิตเราแต่เราหลงหลงรักหลงชังลงกดหลงเกียดหลงพอใจหลงไม่พอใจหลงเราหลงอะไรไปมากมายนันเวลาเรามาทำเนี่ยมันจึงถูกล็อกสเปกเอาไว้แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้นะนประมูลยังไงก็ไม่ได้นะออกไม่ได้ ทีนี้ทำยังไงมันจึงจะเคลื่อนจากภาวะที่มันเป็น่ะมันหายไปการการหายไปการวายชีพการเคลื่อนภาวะแห่งการเคลื่อนภาวะของจิตแบบนีน้ให้มันหลุดออกจากฐานนะเนี่ยภาษาพระเขาเรียกว่าจุ ต, ตปาตยาน คือถ้าคนไหนเข้าถึงภาวะเนี่จะถึงความเป็นพระจริงๆล่ะอนเนี่ยทําราคาทัวรสะมุมโมฮาเบาบางเนี่ยไม่ไว้ใจอเนี่ยยังไม่ไว้ใจมันอยู่เดี๋ยวมันก่อวอดขึ้นมาอีกแต่ถ้ามันเคลื่อนออกจากฐานตรงนี้มาจุดสู่ในจุดที่ปลอดภัยเนื้อไว้ใจได้ชีวิตเนี่ยนั้นสติสัมปชั ญ, ญที่เราฝึกเนี่ยมันจะนาไปสู่จุดนั้น เอายมนั่งโค้กเข่าดิเอา้าโค้กเข่าหมดทุกคนนะผู้หญิงและผู้ชายด้วยนั่งโค้กเข่าสักน้อยอบิดไปบิดมาดิเอาเอ า, เอานั่งลงดิในนั่งลงนั่งลงเวลามันง่วงทำแรงแรง้ย มันนอนทับไหลทางนี้นะกลางคืนถ้าเพราะว่ามันทับตัวนี้น่ปกติคนตะแขียงไซไม่ได้นอนตอนนี้ปกติก็ไม่นอนตะแขีงถ้ามันมันมันหนาวตะแขียงปุ๊บแล้วมันก็จะเอามือสอดเข้าไปในง่ามขานี่แล้วก็หลับปกติมาสังเกตมือมันขยับแบบนี้แบบนี้โอ้มันไปตามท่ามันนะเนี่ยมันก็จะปวดไหล ไม่ค่อยดีลงตาผุพังหมดแล้วหลร่างกายไอ้นี่แต่ไหลไ <c oughs> ส้นี่คือตกหลังคาตกหลังคาแล้วมือมันไหวห้อยป้งตองแตงไม้มันหักนะขึ้นไปมงหลังคามงทั้งกระสีเสมอเอฮิปัสโกเอฮิปัสโกมันดูใจตลอดเวลาเนี่ยโอ้ปไานยโกมีอะไรเกิดขึ้นกับ น, น้อมกับเข้ามาดูข้างใน น้อมกลับมาดูข้างในไม่ได้ดูหนะ้าดูตาดูทา่าดูทางอามองไกลๆมองไกลๆมองไกลๆแต่ก่อนเนี่ยคนปฏิบัติธรรมสำนักต่างๆเวลาไปปฏิบัติธรรมดงตาชอบพูดบางคนมันฉลาดนะวันแรกมันมาง่วงง่ว ง, ง, วงพระก็เห็นทวงเอ้ยง่วงจัดแน่ๆหลับอีกแล้วเนะี่ยมันก็เลยใส่แว่นตารำมา ที่สำนักนี้รากฏการมีแว่นตาขาวอีกทางหนึ่งเราดีด้เด้อมันยึ่งมองเห็นง่ายมันตัดเข้าไปในมองเห็นถันลืมตากว้างกว้างมัญญากิเลสตั้งหลายตั้งปวงนี่โอ้ยหลงตาดูออกมันเป็นยังไงเนี่ยโอ้ลิกิเลสเนี่ยมันไม่มีมัญญายลึกซึ้งเท่าไหร่หรอกมันเป็นภาพเดิมๆมาแหละเวลามันง่วงเนี่ยคุณก็สังเกตดูดิมันเหมือนเดิมๆนะไม่อะไรประหลาดขึ้นมาเลย ท้าไม่ยื่อยังดีเขยา่าวธาตุรู้เนี่ยตัวรู้มีหนึเขย่าวเขย่าวอยู่เรื่อยๆเนี่ยรู้สึกตัวเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ตื่นจิตเนี่ยนะคุณจะทำนะเขาบอหนึ่งนะคุณต้องสามารถละนิวรห้าปฏิบัติธรรมเนี่ยสอง สำรวมอินทรีหกลานิวรนห้านะแล้วสำรวมอินทรีหกสามมีสัมปัสเนะมีพนักพิงสี่แล้วมีสันตุทีสามและตัวสุดท้ายก็คือ อยู่กับเอกีภาวะคืออยู่กับจิตรู้อย่างเดียวนะอยู่กับจิตรู้อย่างเดียวทีนี้มันมันขยับไม่ได้มันยังเป็นนึงง่งนันไม่ได้เราก็เริ่มตัวนี้แหละพยายามละนีวนฮ้า ไอ้ตัวหตัวนี้คือสำรวมสำรวมในตาหูจมูกลิ้นกายใจพยายามสำรวมคือมันก็ติดอารมณ์บ้างแหละมันยังมีรักมีชังมีน ม, มิแต่พยายามสำรวมคือใส่ใจ ส, ส, ส, สลัดอยู่บ่อยๆแล้วกลับมาอยู่กับปัจจุบันเรื่อยๆตาทาให้เกิดกิเลสก็อย่าดูมันนะหูทาให้เกิดกิเลสก็อย่าฟังมันอย่าใกล้มันจมูกลิ้นกายใจคือสำรวมสำรวมคือรวมลงมาตรงที่จิตเนี่ยมาดูตรงเนี้ ไม่ใช่ว่าเห็นแล้วเราก็เอาตาหนีก็ไม่ใช่แต่เราดูภายในคือมันเป็นธรรมชาติเนี่ยก็เป็นธรรมดาแต่เราจะดูภายในดูปรากฏการณ์ที่มันเกี่ยวข้องกันเหมือนฟิวไฟเนี่ยไฟมันจะออกเนี่ยมันเวลาเราเปิดสวิตช์อันนี้มันจะไปแตกกันขั้วบวกขั้วลบเพราะมันแตะปุ๊บมันผ่านมาที่นี่แล้วมันก็จะออกแสงเวลาเราปิดก็คือง้างอันนี้ออกกึกขึ้นมา แต่ว่ามันแตะคำก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันน่ะอารมณ์เราที่อยู่ในใจเนี่ยเวลาเขาเขาจู่ๆปฏิญาณภาวะนี้ที่มันรุดออกจากกันมันมันไม่แตะกันอีกอ่ะอันเนี้ยมันขาดออกจากกันเนี่ยคือมันมันไม่มันเข้าไม่ถึงกันน่ะทังอันเนี่ยมันเป็นกลไกที่อยู่ในในความรู้สึกเราคือมันไม่มีความรู้สึกแบบนั้นเชื่อมให้มันรู้สึกมันก็ไม่รู้สึกแบบนั้น แต่บางทีบางคนนะเรารู้ว่าเป็นเรื่องจิตใจไม่เป็นแบบนี้เนี่ยมันพยายามจิตใจเชื่อมเห็นคนนั่นไปเห็นคนนี้มาเวลาพูดเวลาคุยอะไรจิตมันจะมีการอยากเชื่อมของมันอยู่ในจิตในทีในลึกๆเนะี่ยมันเป็นเรื่องของกิเลสทํางานนะพระเขาเหมือนกันนะเวลาสอบอารมณ์ความผถานนะ่ะจิตมันไหลไปสูงมันเป็นตัวดึงไปคือต้องสังเกตจริงๆอ่ะ แต่สังเกตยิก็ไม่ได้ต้องไปฝึกให้มันเป็นซะก่อนเราค่อยเห็นเราจะไปสังเกตเห็นตอนเป็นนั่นมันก็ได้ ไ, ไ, ได้แต่สํารวมไม่ไม่เนี่ยได้แต่สํารวมสํารวมอยู่เรื่อยเรื่อให้มันอย่างน้นนอย ก, ก็เริ่มรู้สึกโอ้มันจะทํางานแบบนี้เนาะอะไรแบบเนี้ยก็สํารวมเอาพยายามกระชากให้มันหลุดตรงอยู่นั้นบ่อยๆกระชากบ่อยๆบ่อยๆกระชากคืออะไรเห็นมันเป็นแล้วดึงกลับขึ้นมาอยู่ปัจจุบันเนี้ยบ่อยๆเขาบ่ๆนานๆเขาเดี๋ยวมันก็ทำได้เอง มันก็จะเกิดปิ๊งกระชากเป็นครั้งสุดท้ายไปเนี่น้ำก็จะหายไปถ้ามันยังไม่เป็นก็ฝืนทำเยอะๆทำบ่อยๆเนืองๆภาวนาภาวิตาบ่างรีกรตาสังวัตตันติเนี่ยยกตัวอย่างหน่อยก็ได้นี่คุณลุงประคองเนี่ยเขาไม่มีตีนเลเนี่ยข้างหนึ่งนะ แต่ยกตัวอย่างเพื่อเอาอย่างแต่ว่าท่านเดินจ ก, กรมดีจังนะเดินจกรมดีมาอยู่ลงทาตุกี่วันแล้วรวมโม่สิบสี่วันเลยนเนี่ยถึงวันนี้นะเดินจกรมเนี่ยท่านก็ยังเดินได้ของพวกเราถ้าไม่มีตี น, นหนึ่งเราจะอ้งว่าหนูไม่มีตีนขอ น, นอนแล้วจบพอดีเลยนะเนี่ยมันโง่ไปหมดเลยนะมีตีนก็โง่ไม่มีตีนก็โง่คนโง่เนะี่ยแต่ถ้าคนฉลาด มันจะเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์ในการเรียนทรรมวันก่อนไปที่มอชอนะเห็น อ, า, อาจารย์กำพลอยู่กำพลทองปนุ่มนะเขาก็เป็นนี้แหละก็คือไม่มีเดินไม่ได้นั่งแต่กดสวิตช์รถเข็นไปมาวันที่หลวงพ่อข้ามเขียนมาเทศน์ น, นะ ท่านกลับมามองใจนะเวลาฝึกสติทำให้มันต่อเนื่องตัวรู้นี่นะพอเข้าใจไม่ตัวรู้เนี่ยตัวรู้คือสติเนี่ยเราจะมาบ่มเพาะสติอันนี้นปลูกฝังคุณธรรมก็คือทาความรู้สึกตัวนี้ให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้ น, นให้ต่อเนื่องปัญหามันคือถ้าอยากรู้ธรามะเนี่ยอันดับแรกเรารู้หรือยังว่าสติคืออะไรสติคือความระลึกรู้นี่ทำให้มันต่อเนื่องทันเองนะทามันต่อเนื่อง ไอ้ที่เดินจุกลมเพราะอะไรเพราะว่าถ้านั่งทํามันจะหลับถนัดเดินเราก็ไปเดินเอาอันหลายหลายคนเนี่ยจะเดินมากกว่านั่งเพราะว่ามันไม่เสี่ยงถ้านั่งเนี่ยมันจะหลับเพราะเราปฏิบัติทำเราเราไม่ได้เน้นว่าต้องนิ่งเข้าใจไหมถ้าวิธีหลับตานะกรรมฐานแบบหลับตาทุกแบบเนี่ยคือสมาธิคือนิ่งพอเราเราวางคอนเซปต์ยอย่างงี้เนี่ยผิดเลย เวลาเราทำเราก็ได้โอกาสนั่นดีแหละ ย, ยิ่งนิ่งเท่าไหร่ก็คือสมาธิดีเท่านแต่อันนี้ระาวาังเป้าเอาไว้ว่าต้องทำลายตัวง่วงให้ได้จะไม่ให้ความง่วงเข้ามายุ่งกับจิตกลัวเานี่ี่ฉนั้นการที่จะนั่งแบบนี้เราก็ไม่อยากนั่งเพราะอะไรมันจะง่วงมันจะง่วงเราจะไม่ให้มีสักน้อยเลยเนี่ยเราจะรู้ความลับไม่ให้มันกินเล ย, เยอาหารเนี่ยอาวิชาเนี่ย อวิชาคือความไม่รู้แจ้งเนี่ยมันมีอาหารมันคือนิวรถ้าเรายังป้อนนี่มันอยู่เนี่ยออกไม่ได้มันจะอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นจี้เกียดเบือ่อนายเห็นไหมอาหารของนิวร น, นะเราก็จะรู้เราดูมันโอ้มันไปห น, นี้เนาะสังเกตมันเนี่ยเราก็พยายามทําความรู้ตัวนี่ให้มันต่อเนื่องถ้ามันรู้ตัวต่อเนื่องเนี่ยมันก็ไม่เข้าไปในความคิด อาหารมันก็ไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่คือถ้าได้คิดมากเท่าไหร่จิตก็เศร้าหมองเท่านั้นนะเราก็ไม่ให้มันเข้าไปให้มันอยู่กับการเคลื่อนไหวไอันี้เล่ลึกรู้อยู่บ่อยทาตัวรู้นี่ต่อเนื่องเขาบอกว่าจเจริญสติต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ไงลูกโซ่รู้จากลูกโซ่นะโซ่มันจะคล้องกันไปแต่มันหักได้นะโซ่นะเขาบอกไม่ได้เหมือนเหล็กเส้นนะฟังดีๆนะเขาว่าเหล็กเส้นคืออย่างนี้เจ้า เมชีองึงที่วัดสมะนั้นน่ะสร้างจังหวะดีดีทา อ, อยู่เดือนกว่าาได้ลงวันลจิตเวชไปมันช <c oughs> ่นองมากไปนะแต่เขาสํารวมดีมากแต่ในในความรู้สึกแบบนั้ น, นมันมันจะเป็นการเพ่งไ้จ้องไปเดี๋ยวนี้อยากมาปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยอีกนะไปหาหมอพี่ชายผมจะไปนะไปละแย่นะ จะไปจะไปจะไปวัดสภมัติเหมือนเดิมเลยมน้งพี่ชายดันไปปฏิบัติพองยุบไปปฏิบัติพองยุบก็ <c oughs> ก็เป็นอยู่บ้างสองสมครั้งคือเ้ามีปัญหาอยู่แต่เขาไม่อยากไปว่าทำไม่จริงมาอยู่ที่วัดทำจริงบ้าทุกครั้ง <c oughs> คือว่าคือว่ามันเพ่งมากไปอั้นทำมันพอดีทำนี่ทำพอดีประครองประครองนี่นะนี่ มันเหมือนของมีค่าอะไรสักอย่างอย่างนี้นี่มีค่านะเนี่ยแล้วตกหล่นง่ายแล้วก็ประคองแต่ว่ามันเคลื่อนที่ได้นะนหล่นก็ไม่ใช่ของลงตาอ น, นี้ของโยมเขานะเราไม่ยึดมั่นถือมัน่นแต่เขาก็ซื้อมาถวายใหม่ไม่ซื้อแล้วไปเ น, นี่ยประคองจิตแบบนี้นี่แต่อย่าไปกำจิตแบบนี้ อย่างเงี้ยไม่ให้มันขยับเลยบางคนให้งจ้องไม่ให้มันขยับเลยจะให้มันรู้แต่ตีนอย่ามันก็รู้ค่อยๆไปเนี่ยยกโซนโน้โยยตาย น, นี้คุณเลยคุณจะเกิดแต่คือมันจิตมันมันเหมือนไปกดข่มมันอนะเพรากดข่มแล้วมันไม่เกิดปัญญาอันนี้ แต่ว่ามันนิ่งไหมคุณทําไปนานๆเข้ามาเคยชํานาญแล้วมันก็นิ่งแหะแต่ว่ามันจะไม่เกิดคือมันต้องมีอิสระนะเดี๋ยวนี้เราอยากเรียนรู้พฤติกรรมมันนะไม่ใช่ไปกดมันนะะราลึกรู้เนี่ยเอามันคิดกระช้งหัวมันนะแต่ไม่ไปตามควาิดพอพอมันเกิดปัญญามันเข้าใจเนี่ยมันจะไม่ไปเองความคิดเนี่ยพอเรารู้เข้าใจแล้วเนี่ยมันจะไม่คิดเองโอ้มันเป็นยังไงมันอ๋อขึ้นมามันแจ้งขึ้นมาเนี่ยมันมันจะหยุดของมันเอง พอเราไม่ไม่เติมเชื้อให้มันมันก็ไม่รู้จะคิดไปอะไรแต่เดี๋ยวนี้คือเราไม่รู้ไม่รู้กลไกมันเน่ยวิถีจิตเนี่ยเราไม่รู้มันมันไปยังไงจิตมันยังไม่รู้แจ้งมันสติมันไม่พอมันก็เลยไปมันชอบไปที่มืดมืดมืดมืดเทีนี้เราก็ติดแสงสว่างเข้าไปดิติดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไปพอมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ในจิตมันเข้าใจแล้วเนี่ยมันไม่ออกหรอกมันไม่วิ่งออกนอกตัวหรอกจิตอัเนี้ย เดีนี้มันไม่สว่างที่ใจเนี่ยนะมันไม่สว่างฟังนี่ก็พอรู้อยู่นะแต่มันก็ยังคิดอยู่เพราะเลยเพราะมันมันไม่ได้รู้แจ้งเองเอาลืมตากว้างๆลืมตากว้างๆม า, วาวพวกมาจาปักใต้นี่ก็หลับดีหลือเกินเนะเาะลืมตามองไกลๆหายหใจยาวๆเนี่ยโยมมาจากญี่ปุ่นเนี่ยไม่ง่วงง่วงไหม ง่วงอยู่เมยนึกว่าไม่ง่วงทำไมไม่หลับล่ะพยายามเามาออืกัดลิ้นอยู่ข้างในนะเขาก็ง่วงนะพยายามฝืนเอาข้างในเนี่ยมันเป็นการต่อสู้กันอยู่ข้างในนะข้างนอกยิ้มอยู่แต่ข้างในนี่กัดกันอยู่เป็นเสือยิ้มยากฝืนฝืนฝืนโยมย เกิดมาทั้งทีนะหาความดีตัวเองให้เจอมันมีดีอยู่หาพระเหล็กไหลเนี่ยให้ไปเจอเนี่ยนะข้างในเนี่ยถ้าได้อันนี้เราก็สบายพระเหล็กไหลนะแต่ก่อนคนคน้คนหาเหลือเกินเน่ะพระเหล็กไหลนี่นะคนเคยมาถามโลตาเชื่อไหมว่าได้พระเหล็กไหลเนี่ยสามารถเนลมิตอะไรก็ได้เชื่อว่าเชื่อ ไม่อยากได้เหล็กไหลก็อยางได้แต่มันไมีเงินซื้อวะเอา้าต้องซื้อเลยนะันหลกไหลไงใช่ดีนะของเธอก็ยังมีตโตโยตา้าฮอนดา้าซูซูกิอะไรเนี้ยเหล็กมันพานไหลไปไหลมานี่ยนะมันมีความสุขแหละลุงตามมันไม่มีเงินของเนี่ยไม่ใช่เหล็กไหลที่ห้อยคอเนี่ยเขาพาเหล็กไหลโอ้ยนะมันพันไหลไปไหนไม่ได้หรอกมีแต่เธอเธอน่ยจะพามันไหลไปไหลมา มันต้องเป็นเหล็กที่มาแล้วให้เรานั่งแล้วมันพาไหลไปไหลมาได้เรื่องนี้โอ้พาหล็กไหลนะมันจะไปงมงายไอเรื่องข้างนอกเดี๋ยวนี้มันเป็นศาสนาเคลือบยาไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้เคลือบไปด้วยความงมงายเยอะคนส่วนมากดูดกินแต่อันหวานหวนมันข้างนอกกินยาก็ดูดๆหมดอันหวานแล้วก็ทิ้งอันขมผมกูไม่เอาทานศีลมันพอได้ฟังเทศก็ฟังยุ่แต่เรื่องไอ้ที่ตลกน้อย ถ้าไปลึกๆ ก, กูหลับหลับไปแล้วไม่มีมันไม่กินน่ยไอ้ที่มันขมขมเนี่ยมันหา ก, กินแต่เปลือกมันน่ะไปสํานักนอนก็เขาพูดแต่พวกผมก็ชอบหน่อยนะฮะอาหารดีกูชอบไปอาหารดีวัดนั้นอาหารดีสถานที่อากาศเจ๋วเนี่ยไม่เขร่งคัดให้พักผก่อนกลางวันสองครั้งหลังอาหารเนี่ยกูไปเพราะกูจะไปบริโภคเปลือกมันน่ะ กูไม่ไปเอาแก่นมันหรอกแต่พอถึงเวลาหลวงพ่อมาเที่ยงกูไปขี้ก่อนนะเนี่ยไปเข้าห้องน้าม่องท่าแล้วอยู่มันมันก็โง่ยอยู่ทั้งปีทั้งชาตินะ <c oughs> แต่ตอนฝึกเนี่ยป่วยทันทีเลยแหละป่วยเพราะมันไม่มีอะไรอะ่ะบางทีก็ตื่นสายตื่นสายก็มีอันอ้างไปโอ้ยไข้หลายตอนเช้านี่โอ้ยปวดนั่นปวดนี่กิเลสมันยากิเลสเนี่ยนะต้องเอาความตายไปวัดปฏิบธรรมเนี่ย ถ้าจะไปกลัวมันถ้าสมมติว่านะถ้าเราไม่แก่งเนี่ยปฏิบัติธรรมสู้ไม่ไหวเราไปอยู่ใกล้ๆคนที่เขาตื่นดึกลุกเชา้าขยันขันแข็งเนี่ยไปอยู่กับเขามันกินเยอะไปอยู่กับคนกิน น, น้อยดูดิใกล้ๆเขานะ่ะขี้เกียจกลางวันเนี่ยไม่ค่อยจะจุกย้ายไปอยู่ใกล้กับคนที่เขาเดินเก่งๆนะอ๋อเดิอนจ ก, กมดีเกินและเกินเนาคนแม่เอ้ย อย่างจนลูกแก่ขนาะดนี้ก็ยังเดือดปะทะกันนี่ใครดีใครอยู่วะขอโทษนะแต่เราแข็งในใจนะเราไม่ได้พูดกับเ้าหรอกวันนี้จะตายเป็นตายหรือใครดีใครอยู่ท่านไม่นั่งผมก็ไม่นั่งท่านไม่นั่งคุณไม่นั่งฉันก็ไม่นั่งอะอย่างเงี้ยเนี่ยมาแข่งกับยงประคองเนี่ยเอา้าท่านก็ต่อให้สามขาไปเลยแทนโอคขาเดี่ยวเดินมันก็จะอัศจรรย์นนะไอเนี่ย มันก็ฮึกขึ้นมานะ่แล้วพอเดินมากเดินมากมันก็ปวดก็เมยนะ์หนูกูเดินด้วยฟุงซางก็ไม่ไหวกูต้องเดินจับตัวรู้แหละที่เนี่ยเนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นมาหันไปหากัลายาณนะมิตรหรือไปหาสหายธรรมที่มีความเพียรสูงกว่าเราจริงกว่าเราไปปฏิบัติธรรมก็ไปหาครูบาอาจารย์ที่ดีกว่าเราอะไรไประมาณนี้ศรัทธาสูงวิริยะสติสมาธิมันจะต้องต้องดีกว่าแบบนั้นน่ะได้แต่นี่เอง็งโง่ โ, งโงมันชอบไปหลบอยู่ของมันเองนี่ สังเกตไหมมันไปแลอกเหมือนเหมือนวิเวกเข้าป่าลึกๆโน้นวิเวกจังนะ่ะเวลาไปอยู่ไปดูแล้วอ้าวเห็นไม่มีอะไรประหานับหน่อไม้นั่นก็หน้าต้มเนาะอันนี้น่าแกงเห็ด น, น่าจะออกนะั่นหรืดูนี้ขอนเป็นเหมืนีป้ป่าบัดเดี๋ยกะนูมันไปเพาะพันธ์อะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างในนั่นแนหะไม่ให้เอาแบบนั้นเนี่ยให้เข้มแข็งมีโยมมาจากเมื่อกี้มาจากไหนจาก นครศรีธรรมราชเลยจ้ะปัตลานีอ้ยตรังตรังตรังโคอดครับเข้าไปให้ไปปฏิบัติอยู่ในป่าแกก็เข้าไปตื่นเช้าวันหนึ่งโคอดเอา้าทําไมโผล่มาแล้วโอ้ยวงตาไม่ไหวไม่ไหวเป็นไงอุย้ยบรรยากาศแห่งมานอยู่ในป่าชา้าเนีบรรยากาศแห่งมานผมไม่ไหวดวงตาผมสารภาพยังอ่อนมากน เฮ้ยผ่านวัดโสมนัดกผ็ผ่านผ่านโน่นไปโอไ้ไหวที่นี่นะเหมือนกับผีสิงเนี่ยเข้าไปเนี่ยมันจะล้มฟุบออกให้ได้ง่วงให้ได้ที่จริงถ้าคนง่กว่านั้นหน่อยเนี่ยคือไม่ยอมรับมาแหมง่วงหลับดีเหลือเกินนะพุ่มนี่ใครก็ไม่เห็นลงต า, าก่อนว่าเอาละกูจะเพาะพันความง่วงกูแหละให้มันโตขึ้นนี่มันก็ออกลากพอดีแหละออกงอกพอดี แต่นี่เขาฝืนกระเสือกกระสนดินตายออกมาข้างนอกนี่ไหวไม่เอาแล้วตายตายตแบบนี้บรรยากาศแห่งมั่นแล้วก็เลยไปเดินอยู่วงกลมกับโยมผู้หญิงโยมผู้หญิงเขาก็เดินดีนะ้อพ่อหมอไปเดินอยู่เขาขยนันเอาสู้ได้ลดตาเลยเอาไปขยับไปโนมุมโน่นไกลๆแล้วก็ไปเดินเอาเขาเริ่มดีขึ้นมาบ้างแต่ว่าถ้าทำนี้ไม่ไหวได้นี่ สาวันสี่วันก็ไปแล้วผมยังไม่ได้อารมณ์เนี่ยถ้าผมไปจมอย่างนี้คงก็แย่ดิคือผมต้องหนีออกจากมันให้ได้เขาก็ไปอยู่ในที่ที่โลง่ลงๆเตียนๆ น, น, นะไปฝืนไปอยู่กับคนแก่คนเล็กเขาเมันก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะคุณต้องฉลาดนะต้องวัดตัวเองว่ามาถึงวันนี้มันกี่วันแล้วเนี่ยสร้างมากี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยจิตมันยังไม่ตื่นอยู่นะก็ต้องฝืนนะแต่ไม่ใช่ว่า ปวงเดี๋ยวก็ไปตรงนั่นก็ไปตรงนี้ก็ไปโอ้ยตรงนี้ก็ไม่ได้อลมณ์ตรงนี้ก็ ง, กไไ ง, กง่วงเดินไปวุ่นวายไปหมดมีแต่ลอยตัวเองหมดสนามนี่ตรงนั้นกูก็เคยยางมาแล้วตรงนี้กูก็ยางมาแล้วไม่ได้เห็นตรงไหนมันดีละเอะไปตอนเช้านะ่ะรีบไปจองก่อนของเขานะ่ะเอาหมอนเอาอะไรเสือไปวางไว้สักน้อยจองเลยเด้อ ย, ยังมาได้บนนี่ของกูเอ บางคนก็ฉลาด น, นะเอาผ้าเข้ามาพันๆไว้ต้นไม้นี่กูของกูด้วยตัวนี้อย่ามาด้วเนี่ยมันได้ที่แล้วนะแต่บางคนก็เข้าไปนันก็พยายามสังเกตดูบางที่เอาที่เดิมนั่นแหละแดดก็แดดออกตายเป็นตายคนะุบาท่านเนี่ยหลวงตา่ไม่ไม่ไปฝึกอยู่ข้างในเลยนะอกโอ้หลวงตาผมเอานี่แหละมือนเอานี่ยเอา อ, อยู่นั่นนะ่ะคือคนไหนที่มันตั้งใจมันไม่กลัวเออมันจะได้สติมันจะเกิดล็อก มันทนต่อวีตนาแต่คนไหนที่เข้าไปอยู่ในป่าลึกลึกถ้าตั้งใจฝึกก็จะยิ่งสงบยิ่งจะดีนะแต่ตั้งสติดีดดนะมันพระบุทธเจาบอกว่าภิกษุที่อยู่ในปีกวิเวกอยู่ในป่าในดงเนี่ยต้องมีคุณธรรมหนึ่งต้องมีสติสัมปญญาอยู่เสมอสองต้องมีศีล น, นะศีลต้องสูงสติสัมปญญาต้องดี ถ้าศีลไม่ดีก็อีกแล้วนะมองไปเห็นอ้าวกล้วยสุกนี่หว่า <c oughs> นี่ยมันเห็นกล้วยสุกเห็นนอไม้เห็นอะไรก็เอาแล้วทีิตใจทําไงเออหลวงตามีมีพระอุนึงอยู่ด้วยเคยไปทุดงพูกผาแดนไปเดินจุคมทําทางจุคมยังไม่เห็นหรอกทีแรกต่อมาเดินจุคมเดินไปมามองก็แบบอ้าวกล้วยสุก <c oughs> เป็นเขือนดานไปเห็นตอนบ่ายนนตอนค่าๆนนซึ่งมันเลยเวลาไปแล้วทําไงเนี่ย ตายกูหิวก็หิวแล้เนี่ยข้าวก็ไม่ไกินทําไงเนี่ยจะทวนกระแสอย่างไงกับกล้วยสุกก้อนนี้ได้เดินไปก็คืนน้ํำลายไปน้ําลายไปกล้วยมันก็จะนึกถึงบรรยากาศน้ากล้วยมันจะหอมไปยนะิ่งเราหิวเนี่ยมันยิ่งจะอร่อยนะอีกหน่อยข้างข่าวบินมากินหล่นล็อกมา <c oughs> เดินจูงไปมันหล่นใส่เท้านี่ยังหวานเลย โอ้เศษวันนี้จะขนาดไหนอ่ะมองไปมองมามองไปนึกขึ้นมาได้ไม่ใช่กล้วยจริงหรอวะนี่ไม่ใช่กล้วยจริ ง, รนะรงแล้วมันกล้วยอะไรแหละไม่จริงยังไงก็เห็นอยู่นี่มันหล่นมาเนี่ยนึกขึ้นมาได้กล้วยพลาสติกก็เ <c oughs> ลยเดินจูมไปกล้วยพลาสติกกล้วยพลาสติก <c oughs> กล้วยป้าติเดินไปกับบริกรรมคำนี้กล้วยป้าติบริกรรมไปบริกรรมมาลืมลืมลืมถึงนึกถึงกล้ลลลกวยเนะี่ะไม่สาตู้ให้มันเน่าไวๆหน่อยเถอให้มันเน่าไปไวๆเอให้มันเน่าเสื่อมสลายไปไว้คือมันไม่ไหวอ่ะหลายๆคนไม่รอดนะถ้ามันจะใกล้ตีนใกล้มือนะ่ะอันสนํยาหรับปฏิบัติธรรมเขาถึงห้ามปลูกผ ล, ลไม้ไงไม้ประดับสวยงามเขาห้ามปลูกไม่ควรเน่ะไม่ควร แต่เดนี้เราไปปฏิบัติธรรมที่วัดนนวันนี้คือจะหาวัดที่สวยๆเพื่ออะไรเพื่อจเจริญหูจเจริญตาไงแต่เขาห้ามปลูกไม้ประดับเพราะตื่นมาจิตคนมันไปติดน่ยมันไปคล้องแวะมันได้บรรยากาศนะแล้วพระเนนแม่ชีก็จะเป็นทุกๆอะไรต้องมาลดน้ํารดน้ํารดน้ําอยู่นะตื่นมาขอลดน้ําตื่นมาขอลดน้ำเพราะต้องมันก็เสียเวลาเนจิตเนี่ยโยมก็จะชอบ นั่นเขาไม่ให้มีแล้วไม่ให้ปลูกผ ล, ลไม้ไม่ปลูกผ ล, ลไม้เพรปลูกผ ล, ลไม้แล้วจิตมันห่วงหลวงตาเคยปลูกนะปลู ก, ล, กลูกอะไรเลูกอะไรแดงๆหนึลืมแล้วเนี่ยเออ ช, ชมพู่ชมพู่ชมพู่ปลูกชมพู่ออกดอกก็ไม่ได้ <c oughs> เอานักปฏิบัติไปทําปฏิบัติเอาไปปฏิบัติทางสวนชมพู่นะหลวงตาปลูกไว้ไม่เยอะหรอกหกเจ็ดต้น มันออกออกมามันกําลังดินแดงขึ้นมาเฉพาะโป้มือนี่แหละตอนเย็นนักปฏิบัติเลิกกะกลับหลงตาไปดูหมดแม้กระทั่งดอกไอ้คนหนึ่งมันไปเยี่ยว ท, ที่ที่มันจะเลิกที่หลังเพื่อนหรอกไปเข้าห้องน้ำํำเราก็เดินขึ้นทีหลังแต่มันเก็บกินมดนะโอยมันไม่น่าปูนะอันนี้วะไอ้จันร์หมอเคยซื้อให้ก็เลยไปปูกเด๋่วนว่าหลงตาเดี๋ยวให้ซื้อนั่นซื้อนี่ไปปลูกปลูกแล้วก็ทิ้งปลูกกระทิ้งหลวงตาเขาไม่ว่าอะไรแล้วก็เฉยๆไปซะเพราะว่า ไม่ทิ้งยิ่งจะแย่นะปลูกแล้วก็ย้ายย้ายไปปลูกโน่นปุน๋ยฮัมไม่ย้ายมันก็กินหมดอยู่นี่แหละนอ้องนกักปฏิบัติธรรมมันก็วุ่นวายแหละแต่เขไม่ได้อธิบายหรอกคืออธิบายใครไม่เข้าใจก็คือไม่อธิบายนะก็แล้วไปแล้วแต่เขาจะคิดอะไรแต่เรารู้ว่าโ อ, อ้ปัญหาลืมตาลืมตาไมหมอมาจากสสอสอนมึงง่วงจัดเดนีิ ยมมนส่งเขาประกวดนี่เอาจริงๆเด้อลงตาว่าของปลอมนะอัไอย่างว่ายมมนไม่มีลงตาลูกหนูหนะของจริงนะเอาดีๆเอาดีๆมันไม่ไหวแล้วลงตาต้องประกาศออกไมโครโฟนละพวกคนไหนที่กิเลสหนาเนี่ยประกาศชื่อเสียงให้เทวดารับรู้ด้วยมาจากปากใต้เนี่ย จากโน่นจากนี่เริ่มจะมีชื่อเสียงนะใครอยางดอกอากาศก็หลับไปซะมันไม่ไหวละพูดเรื่องเล่นเรื่องหัวก็ยั่งจะหลำอยู่อีกอุท ธ, ธรรมะยิ่งเอา้าดื่มตาก้องอ้าปากดีๆอีกหน่อยต้นกลางวันบางทีเราม่งจัดๆวันนี้เธออย่าคิดนะหลังจากกินข้าวคุจะเอาจั๊กน้อยถีกว่าแล้วคูจะค่อยไปทําความเพียรไอ้นี่นะคิดอย่างนี้ไม่ดีนะคือต้องพิก ต, ตละลปัดเลยว่า หลังจากนี่ออกไปเนี่ยกูจะเดินดูกูแม่มันเอาเป็นเอาตายเลยนะกิเลสเนี่ยออกไปแล้วพยายามเลยขยันเลยมันจะพลิกจิตได้เลยขณะที่มันงงๆนี่เนี่ยมันจะตื่นตัวขึ้นมาเองเลยสภ า, าวะแบบนั้นมันก็มีเขอแต่ฝืนแต่ถ้าไปนอนสักน้อยเนี่ยตื่นขึ้นมาก็พอเดินได้ยุตแต่ว่ามันมันมันไม่เกิดการทะลุมิติอะไ น, นั้นทะลุอารมณ์เนี่ยเขาเรียกว่าบรรลุธรรมทะลุอารมณ์นะถ้าเป็นวัตถุไม้พวกอะไรอต่งางเนี่ย กาแพงเนี่ยเขาเรียกว่าทะลุอันนี้วัตถุนะแต่ถ้าอารมณ์ถ้าเกิดมันทะลุมิติเรียกว่าบรรลุธรรมเพั้นเวลามันเกิดขมุกขโมเยเยอะๆนี่ทะลุไปเลยนะเดินมันทะลุไปเลยรู้สึกตัวจนกระทั่งมันทะลุไปจับตัวปัจจุบันนี้ไว้เั้นขเขาบอกว่าสติมันแหลมคมไม่ถ้าแหลมคมมันก็จะทะลุได้แต่ถ้าไม่แหลมคมมันไม่ทะลุตื่นตัวนะอย่าโยมนะบางสำนักนะเขาตั้ง จิตตั้งใจตื่นมาทำความเพียรตั้งแต่ตอนตีสองนะ้นแะตีสองทำความเพียรแล้วแต่เขาใช้วิธีหลับตาปิดไฟด้วยจบพอดีเลยเราดูก็ออกนะอา้าวนั่งใจปฏิบัติญาตโยมหลับตาปิดไฟด้วยเรารู้แล้วว่ามันจะไปเกิดที่ไหนวิญญาณ น, นั่นเนี่ยดูก็รู้พอไปมาเอาละใสยไปใส่มากัน แล้วท่านก็จะพูดสมควรแก่เวลาค่อยๆคลายออกจากสมาธิหลวตาก็เป็นแต่ก่อนนะมาพูดคํำนี้เดี๋ยวนี้มันมันหลับไม่ทําเพราะจะหลับลงไม่ได้แลมันไปนะเนี่ยนะก็เลยเห็นญาติโยมเป็นโอ้ยได้บอกอย่าไปทําเด้อแบบนั้นนะญาติโยมคนไหนที่ยังชอบแบบนั้นอยู่ก็ไปสํานักแบบนั้นแหละไปหาแถวนั้นแหละแถวไหนที่เขา หลับตาปิดไฟด้วยนั่นแหละมันก็จะถูกจิริตเราแต่มาที่ที่มันไม่ได้ปิดไฟอันนี้บางทีเขาก็เปิดแสงแดงๆใ น, นน้อยไว้ในประคองถ้าเปิดมากนี่มันมันแสบตาเขาว่าไงจริงๆไม่ใช่หรอกมานกลัวคนเห็น ก, กลัวคนเห็นว่าเราหลับท่านไปอยู่ในที่ที่ที่คนเขาไม่หลับมันก็จะไม่หลับต้องดูนะพูดให้ฟังหลายเรื่องหลายอันน่ะท่านตักหมอนี่ท่าน ปาดหนังตาหุ้มตาออกไปเลยนะยกตัวอย่างให้ฟังหลวงพ่อชาเนี่ยเวลาเกิดอารมณ์ราคะเกิดอะไรท่านเลิกดึงผ้าสบงกับมันมามัดอยู่ที่เอวแล้วเดินเข้าป่าไปเลยะอารมณ์ราคะมันเกิดเยอะไม่ไหวตายเป็นตายเนยมันก็หายนะหลังจากนั้นมันก็ไม่เป็นท่านบอกพอจะเอาจริงกับมันน่ะเหมือนกันไอ้ตัวงี้ยมันเกิดขึ้นมาเอาจริงกับมัน เอาจริงกับมันเอาจริงกับมันทุกวันเนี่ยแล้วมันจะเป็นไงมันก็แก้ได้ดิหลวงปู่ฟันนะท่านหลวงท่านแก้อารมณ์คิดถึงบ้านเดีวเราไปศึกษาประวัติท่านเนี่ยท่านทํายังไงรู้ไหมมันคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านเวลาไปถ้ำท่านจะมีวิธีของท่านนะคือวันหนึ่งท่านเห็นใบไม้ที่มันหล่นลงมาท่านอยู่ในถ้า อยู่ในปากถ้ากนั่งว่าจะทาสมาธิในปากถ้ากำลังจะเดินเขาไปในถ้าเห็นใบ ไ, ไม้มันหล่นลงมาจะเกิดการประหลาดใ น, นตอนนี้น่ะแต่ว่าจะไม่เล่าเอาไว้นี้ก่อนให้โยมไปคิดเอาเพื่อเพื่อถ้าเล่าให้หมดมันก็ไม่ได้อะไรละนี่จะฟังกับฟังอยู่เนี่ยหกโมงครึ่งนะวันนี้จะพา ว, ว่าจะให้เดินไปที่เดิมอีก บางคนให้กูเห็นแล้วกูไม่ไปเนี่ยมันเดินไปเพื่อเห็นไงไอเ น, นี่ยมันไม่ใช่เดินไปเพื่อรู้สึกตัว่ะจริงๆเนี่ยเราเดินอยู่ที่นี่ก็คือรู้สึกตัวไปก็รู้สึกตัวให้รู้สึกตัวนะไอทนนี่ทยแต่ไม่ใช่ไปหาดูไอ้น่นดูอันนี้ไม่ดูไปเพื่อเห็นเพื่ออะไรแต่หลายๆคนมันก็มียังว่านั่นแหละทิฏฐิมันเยอะมันก็เลยยาก บางคนให้ไปก็ยังไม่ไปด้ยซ้ําไปคือจิตเนี่ยมันมันมีความคิดความเห็นส่วนตัวมันะนะนะมันไม่ใช่เหมือนน้ําที่เราเทใส่อะไรมันก็ไหลไปเรื่อยๆเรื่อยๆท่านว่าทําเหมือนดินน้ําไฟลมชีวิตอะเนี่ยอย่ามีมันต้านอะไรอะนี่ย น, น้ํานี่เวลาเทเข้ากร บ, บอกมันจะเข้านะแต่ว่ามันเป็นน้ําแข็งมันไม่เข้านะต้องกดเข้าแตกกระจายเลยนะ ชีวิตคนก็เหมือนกันถ้าสติมันดีจิตมันดีเนี่ยเขาเทสใส่แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันไม่มีขัดไม่แย้งอะไรหรอกจิตเนี่ยมันจะนิ่มของมันเองโดยธรรมชาติดูพวกแมวพวกมงเขานอะกลางวันเขาก็โอ้ยปลูกผักปลูกส้มปลูกอะไรเนี่ยเอาจริงเอาจังรดน้ําไปเอาต้นน้ามาจากภูเขานเนอะเขาก็ขยันขันแข็ง ร้องโวกวักโวกวักอยู่แต่ละวันข้างข้างนี่ก็สวนสมน้มนะความขยันเขานะ่ะเรามาเปรียบเทียบกับความขยันเราเราก็มาหาทำเขาก็หาเงินเนี่ยเขาต้องมีเงื่อนไขนึงต้องถีดยาต้องพวนดินต้องลดน้ําต้องอะไรต่างๆเนี่ยมากเราก็เหมือนกันนะ่ะใจเราเนี่ยเราจะมาปลูกต้นจิตเราเนี่ยให้มันตื่นเบิกบานทํำยังไงอะ่นะต้องเติมสติขนาดไหนความเพียรระดับไหน ให้น้ำคือความศรัทธากับปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมีขนาดไหนเนี่ยต้องใส่เข้าไปให้มันเยอะๆแต่เยอะมากก็ไม่ได้มันจะบวมตายอิทธิบทก็สําคัญนะเวลาต่อสู้กับกิเลสกับว่วงกับคิดกับอะไรบางทีมันคิดเยอะเดินไม่ไหวหลายหลายคนเอา้าทํำไมเดินเร็วจังเน่ยเดินเพื่อให้ไม่ความคิดมันผุดขึ้นมาได้เดินมันคิดมาเหยียบคิดมาเหยียบคิดมันเหยียบนั่นะเป้าหมายเขาเขาไม่ได้ทํา ไม่ได้ทาให้มันนิ่งนะแต่เขาจะเหยียบความคิดเพื่อไม่เหยียบเขาเหยียบเขาเหยียบเขาเร็วเขาเร็วเขาโอ้มันไม่ได้คิดในที่สุดมันก็ไปถึงจังหวะนั้ก็เกิดปีติเกิดว่างเกิดเลยขึ้นมาตรงนี้แต่บางคนเดินเร็วมากไม่ได้เดินเร็วแล้วมันไม่ทันมันลืมตัวบ่อวเดินช้าช้าคนทำไมเธอไม่เดินเร็วว่าเดินเร็วไม่ได้สติมันไม่คล่องตัวก็เดินช้าบางคนก็ไม่เป็นไรเดินช้าก็ได้แต่อย่าไปจ้องมัน เดินประคองความรู้สึกตัวเฉยๆนี่สร้างจังหวะนี้เหมือนกันบางคนทําแรงแต่บางคนทําเบ า, เบาก็แล้วแต่แต่ประคองเอาเนี่ยสังเกตว่าทําเบาก็ไม่ง่วงทําแรงก็ไม่ห่วง ง, ว ง, งั้นก็ไม่ต้องไปโทษในรูปแบบของแต่ละคนที่ทําแต่ปัญหามันคือเวลาเราทําได้สักพักหนึ่งระยะหนึ่ง มันเริ่มเข้าใจอะไรแล้วเนี่ยทิฐิมันจะเกิดปัญหามาเนี่ยยิ่งถ้าคนเคยทําแบบนู้นแบบนี้มาเนี่ยขี้เกียจพูดด้วยอ้นี่ทิฐิมันเยอะก็อยากทําแบบนี้นี่ก็อย่างนั้นอันนี้ทําแบบนั้นก็ได้แบบนี้ก็ได้นะพอมีสติสักน้อยเนี่ยตัณหามานะทิฐิมันจะเข้าแทรกตัณหาอยากนู้นอยากนี้อยากเทศอยากซ้อนอยากอะไรนี่งจ้นเนี่ยอยากอวดอยากอ้างแทรกเข้ามาเตในจิตอันนี้ มาณนะความถือตนถือตัวถือว่ากูก็รู้อย่างหนึ่งอะ่ะอันนี้จานี่ยเวลาครูบาอาจารย์บอกว่ามันไม่อยากทําทําใหฮ้ยกูก็รู้นะรู้ทําแบบนี้ก็เป็นอันนี้ก็รู้สติเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำํำแบบนี่ยเห็นไหมคือตัวรู้ที่เข้ามามันแทรกเข้ามาเนี่ยมันจะสอนยากตันทีเลยเขาเรียกว่าวิปัสสนูจะเริ่มเกิดนะพอ ท, ทําทีเป็นรู้หน่อยมันจะเป็นอย่างเงี้ยจิตนะมันไม่ปกติฉนั้นตัวสมาธิมันไม่บริสุทธิ์เพราะทิฏฐิมันเข้ามาไง ความเห็นบางทีก็เป็นความเห็นตัณหาม า, าทิฐิทิฐิคือความเห็นเห็นว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นเห็นน่าจะเป็นอย่างเงี้ให้หลายๆคนเวลาติดอารมณ์พบจะไปตั้งสํานักแล้วเป็นมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมากับชีวิตกับการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้าอยู่จบพรมจารย์ได้เพราะเพราะสภาวะแบบนี้แหละปฏิบัติธรรมก็เพี้ยนลงไปแบบนั้นแบบนี้แต่บางคนคนดีก็มีนะแต่ยห็นน้อยสภาวะตอนนั้นก็คือมันถูก ตันหามาแนละทีท่ีเขาแทรกในจิตดู ม, มันดีๆนะทำตัวเองให้ไม่มีตัวตน น, น, น, น, นี่ยฏันทำาทำให้มันผ่องใสทำให้มันเบิกบานจิตใจเนี่ยวันนี้ดีกว่าเมื่อวานน้อยนึงเราปฏกบัตินี่เราจะสลับกันไปวันหนึ่งกวิวันหนึ่งทำความเพียนเลยบางคนบางวันก็ทำสะอาด คือถ้ามันสกรปรกก็ทําสะอาดแต่บางวันถ้าจิตมันดีอยู่นะหลวงตางกให้ปฏิบัติเลยแต่บางทีก็บอกบางทีก็ไม่บอกแต่ก็ดูคนว่าใครเป็นยังไงอะไรอนี้บางคนมาอยู่เจ็วันไม่เคยกวาดที่นอนตัวเองเลยบางทีไม่เคยเก็บโดยกวาดข้างนอกก็ยังไม่เคยกวาดบางทีเนี่ยนําภาษาอะไรที่นอนนะเข้าไปดูนะกางเกงเสือกางเกงลิงกางเกงช้างพคนั้นแล้วเกะละกะอะไรเพี้ย ต้องเก็บให้เรียบร้อยนะฮอย่าไปปล่อยวางเอ้ยไม่ใช่เกีงเกงกูอะแล้วก็เกงใครไม่ใช่ของมึงกงเกงลิงโอ้ย <ผม S 1> ไ, ไหวนะนี่ก็ต้องดูแลคนะพ้นปฏิปทําต้องสะอาดต้องเรียบร้อยนะเราไม่ได้ยึดมันถือมันแต่เราไม่ให้มันสกปรกอนะเราจะมองอยู่อยู่นะว่าเข้าต้มมันนานมาตั้งยังยนะัยไม่มา เอาไม่มาก็จะปล่อยละออกไปเดินโยงกลมนะออกไปเดินนั่นเดินนี่สักเล็กสักน้อยเดี๋ยวลงตาตีขังพ่อเปิดโอกาสให้เราไปห้องน้ำมงทาไปรีแลกสักหน่อยเตรียมตัว